มันมีคำพูดหรือว่าสำนวนนะที่เดี๋ยวนี้เริ่นได้อีกกันมากขึ้นนะก็คือคำว่าความจนมันน่ากลัวมากนะความจนมันน่ากลัวมากคนที่อพูดแบบนี้เนี่ยนะเขาเหมือนกับว่าเป็นการกระตุ้นให้เกิดความเพียรในการทํามาหากิน นะเพราะว่ากลัวนะกลัวความยากจนต้องรีบขยันทรมาหากินถ้าหากว่าความกลัวตนมันทำให้เราขยันนะทำมาหากินแล้วก็เก็บหอมรอมริบใช้ในสิ่งที่มันจำเป็นนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะ เป็นสิ่งที่ดีถึงแม้ว่ามันยังมีวิธีที่ดีกว่านั้นนะคือไม่ได้ทำเพราะความกลัวขยันก็เพราะว่าเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์เป็นสิ่งที่จะช่วยทำให้ชีวิตเจริญงอกงามแต่ถึงแม้จะทำเพราะความกลัวนะคือกลัวจนก็ยังดีนะแต่สิ่งที่ต้องระวังคือว่าพอ กลัวความยากจนแล้วก็เลยกล้าที่ทำชั่วนะเห็นว่าความชั่วนี่นะมันน่ากลัวน้อยกว่าความยากจนหลายคนก็เป็นอย่างนี้นะปพราะกลัวจนก็เลยทำทุกวิถีทางนะที่จะหายจนรวมทั้งการโกงการคอร์รัปชันอันนี้ก็เป็น เหตุผลหรือแรงจูงใจหรือบางทีอาจจะเป็นข้ออ้างก็ได้เพราะจริงๆแล้วเนี่ยไอ้คนที่โกงคอรัปชันเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจนนะที่จริงก็สุขสบายดีอยู่แล้วนะแต่อยากรวยกว่านี้อยากรวยกว่าเดิมไม่ใช่ว่าถ้าไม่โกงไม่คอรัปชันแล้วจะจนถึงไม่โกงไม่คอรัปชันนะมีความซื่อสัตย์สุจริตก็ยังพออยู่พอกินหรือว่ายัง มีชิตเตสุขสบายด้วยซ้ำนะแต่ว่าจะอ้างนะหรือหาเหตุผลให้มันดูดีก็บอกว่าเนี่ยทำเพราะกลัวยากจนนะอันนี้ก็เป็นข้ออ้างนะของหลายคนนะที่ไปขายตัวหรือไปขายานะกลัวจนนะอ้างที่จริงถึงแม้จะไม่ขายยานะประกอบอาชีพโดยสุจริตเนี่ย มันก็ไม่ถึงกับจนนะนะก็ยังอยู่ได้นะยังมีกินมีใช้ขอให้เพียงแต่รู้จักอดออมแต่เป็นเพราะว่าใช้ใจอย่างฟุ่มเฟือยแล้วก็อยากจะมีชื่อที่ฟุ่มเฟือยเนี่ยก็เลยต้องอไป้ายาหรือว่าไปทำอาชีพซึ่งมันก็ไม่ได้เป็นผลยั่งยืนนะหรือผลดีกับตัวเองในระยะยาวเพราะนั้นเนี่ยในเวลาพูดว่าความจนมันน่ากลัวมากเนี่ยนะมา ก็ต้องถามใจตัวเองแล้วว่าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ที่ทำทุกวันนี้เนี่ยนะมันทำเพราะกลัวจนจริงหรือเปล่าหรือเป็นเพราะอยากรวยอยากสบายนะมากกว่าแล้วก็ที่จะต้องเนะตือนตนอยู่เสมอนะคือความจนมันน่ากลัวก็จริงนะแต่ว่าความชั่วเนี่ยมันน่ากลัวกว่านะความชั่วมันน่ากลัวกว่านะ จริงอยู่ความชั่วเนี่ยเช่นการโกรงการคอรัปชันเนี่ยอาจจะทำให้มั่งมีสีสุกนะแต่ว่าไอ้ความมั่งมีนั้นก็ไม่เคยยั่งยืนเลยอะไรที่มันหามาได้เร็วก็หมดไปเร็วคนที่รวยเพราะถูกหวยหรือรวยเพราะค อ, อรัปชันเนี่ยไอ้ความร่ํารวยมันไม่เคยอยู่นานเลยอะไรที่ได้มาเร็วมันก็หมดไปเร็วนะแล้วคนเราพอลองทําชั่วสักครั้งแล้วนะ มันก็ต้องทำไปเรื่อยเช่นต้องโกหกเพื่อปิดบังนะความชั่วของตัวหรือไม่ก็เกิดติดใจนะเห็นว่าเงินมันมาได้ง่ายก็เลยทำไปเรื่อ ย, อ, ยอันนี้ก็เป็นปัญหาเดียวกับคนที่ติดการพนันนะการพนันจริงมันก็ไม่ได้เป็นความชั่วนะแต่ว่ามันมีโทษเยอะในะหม่ๆเนี่ยก็เล่นการพนันแล้วได้เงินนะ มันได้เงินง่ายได้เงินง่ายก็ติดใจก็เลยไปเล่นการพนันอีกทนั่งที่เล่นครั้งต่อๆไปนะมีแต่เสียกับเสียนะแต่มันก็ยังมีความหวังว่าเดี๋ยวก็คงจะได้เงินเป็นกอบเป็นกำนะมากกว่าที่เสียไปอันนี้ก็เป็นข้ออ้างหรือว่าการหลอกตัวเองนะแต่ที่จริงคือมันติดแล้วนะก็เรียกว่า มันให้ผลดีเพียงชั่วสั้นๆแต่ก่อโทษระยะยาวนะเช่นทำให้ติดทำให้ไม่เป็นอันธมหมากินให้ความชั่วก็เหมือนกันนะแลวที่จริงแล้วเนี่ยถึงแม้จะร่ำรวยนะแล้วถึงแม้จะยังร่ำรวยต่อไปนะแต่ว่ามันก็ไม่มีความสุขนะสุกกายแต่ไม่สุขใจนะแถึงเวลานะถึงเวลาจะตายเนี่ย กไม่เคยเห็นคนไหนนะที่รู้สึกภูมิใจดีใจนะกับความร่ำรวยที่เกิดขึ้นมาจากการคดโกงจากการคอร์รัปชันคนเวลาจะตายเนี่ยนะมีแต่คนที่เขานึกถึงความดีที่ได้ทำไว้แล้วก็เกิดความปิติเกิดความภาคภูมิใจซึ่งช่วยทำให้เขาตายสงบส่วนคนทำชั่วเนี่ยอาจจะร่ำรวยนะ กฎหมายทำอะไรไม่ได้นะเพราะมีอำนาจนะแต่ว่าสุดท้ายนะเวลาจะตายเนี่ยนะมันก็ตายไปทุกทรมานเพราะว่านึกถึงความชั่วที่ได้ทำเอาไว้จะพยายามปิดบังยังไงจะพยายามห้ามใจไม่ให้คิดยังไงมันก็ยังคิดอยู่นะไม่ว่าจะเป็นความชั่วเพราะขโมยคอร์รัปชันหรือการไปฆ่าทำร้ายผู้อื่นไม่เรียกว่าความชั่วมันให้ผล ชั่วคราวนะแต่ว่ามันทำให้เกิดทุกยาวนานนะไปขโมยเขาโกงเขานะแม้แต่ยืมเงินเขาไม่คืนจำนวนเงินอาจจะพันสองพันะแต่ว่ามันต้องชดใช้ในเวลาต่อมาบางทีต้องชดใช้เป็นแสนก็มีเหมือนกับว่ากฎแห่งกรรมนี่มันนะมาตามทันในชาตินี้ นะโกงเขาพันหนึ่งหรือว่ า, าเบี้ยวเงินเขาไปพันหนึ่งเนี่ยแต่ว่าต้องจ่ายเป็นแสนเนี่ยนะมันคุ้มกันที่ไหนนะความชั่วเนี่ยทำไปแล้วนี่มันมีดอกเปี้ยทบต้นนะโกงเขานะไม่กี่บาทแต่ว่าดอกเปี้ยทบต้นตามมาผ่านไปสิบปียีสิบปีนี่มันกลายเป็นพันเป็นหมื่นยังไม่ต้องพูดถึงว่าต้องไปชดใช้ในชาติหน้านะวันนั้นเนี่ยถ้าดูแลเนี่ยมไม่คุ้มเลย งั้นถ้าเราไต่ตองดูดีๆนะความจนมันน่ากลัวก็จริงนะแต่ว่าความชั่วมันน่ากลัวกว่าเพราะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะทำอะไรเพื่อหายจนนะก็อย่าลืมน ะ, ะต้องทำความดีเอาไว้ตั้งมั่นอยู่ในความดีที่จริงแล้วเนี่ยความจนเนี่ยเวลาบอกว่าน่ากลัวเนี่ยมันหมายถึงความจนในในทางทรัพนะแต่ว่ามันก็ไม่น่ากลัวเท่ากับความจนในทางจิตใจนะ คนที่จนในทางจิตใจนี่ทนะรมานมากกว่านะคือจนอะไรจนความดีอย่าไปคิดแต่ว่าจนทรัพย์นี่น่ากลัวไอ้ที่น่ากลัวกว่าและน่ากลัวที่สุดนะคือการจนความดีหรือการที่ไม่มีอริยทรัพย์นะในจิตใจอริยทรัพย์นี่นะมันก็คือทรัพย์อันประเสริฐนะที่ไม่มีใครจะลักขโมยได้มันเกิดจากความดีที่ได้ทำ มีคนจนโนยไม่น้อยนะที่จนนะแต่ว่าเขารักษาความดีไว้ไดนะ้เมื่อเมื่อวานนี้ก็มีคนส่งข้อความที่น่าประทับใจมากนะส่งมาทางลายคนที่เล่าเนี่ยนะต้นเรื่องก็เป็นเป็นผู้กํากับหนังผู้สร้างหนังนะชาวบราซิลเขากาลังสร้างหนังแล้วก็กาลังหาดาราที่เป็นเด็กนะเรื่องราวก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับสถานีรถไฟ เขาหาดาราไม่ได้ที่เป็นเด็กแล้ววันหนึ่งเขาก็บังเอเิญนะจะต้องไปธุระนะผ่านสถานีรถไฟระหว่างที่อยู่ในสถานีรถไฟเนี่ยก็มีเด็กคนหนึ่งอายุสิขวบเป็นผู้ชายมาหาเขาแล้วก็บอกว่าจะขัดรองเท้านะสนใจขัดรองเท้าไหมเขาก็ปฏิเสธเพราะรองเท้านี่ของเขาเนี่ยมันมันเพิ่งขัดมาใหม่ๆนะเมื่อเช้านี้เด็กก็ทําท่าผิดหวัง สักพักเด็กก็บอกว่าขอยืมเงินได้ไหมอาทิตย์หน้าจะมาคืนถ้าเราเจอเด็กเร่ร่อนเด็กยากจนเนี่ยมาพูดกับเราแบบนี้เนี่ยเราเชื่อเขาไหมนะหลายคนไม่เชื่อนะแต่ว่าพ่วงกับคนเนี้ยถึงแม้แกก็ไม่ค่อยแน่ใจนะว่าจริงหรือเปล่านะแต่ว่าเงินเล็กน้อยก็ให้ไปนะแกก็ควักเหรียญมาให้รรหนึ่งนะแล้วก็ให้เด็กไป เด็กก็ดีใจนะเด็กบอกว่าอาทิตย์หน้าจะมาคืนนะแล้วเด็กก็รีบวิ่งหนีไปเลยพวงกบมนังวันนี้ก็ให้ไปแล้วแกก็ลืมนะแกก็ทำนู่นทำนี่ของแกไปเป็นเดือนนะแล้ววันหนึ่งแกก็มีธุระนะไปที่สถานีรถไฟปรก็มีเสียงเรียกนะคุณครับคุณครับรอเดียวรอเดียวแกหันไปดูปรากฏว่าเป็นเด็กคนนั้นเด็กคนนั้นแกบอกว่าเนี่ยผมมารอ ผมมารอคุณนะ่ะสองสามอาทิตย์แล้วนะเนี่ยรอทำไมเหรอรอที่จะคืนเงินไงโอ้เด็กยืมเงินไปนี่เด็กนี่ตั้งใจจะคืนนะแล้วก็อุตส่าห์มารอมารอทุกวันเลยก็ไม่เห็นนะผู้ชายคนนี้งั้นพอผ่านไปเกือบเดือนเนี่ยแกเห็นผู้ชายคนนี้แกก็ดีใจนะดีใจที่จะได้คืนเงินนะเด็กนี่ยากจนนะเป็นเด็กเล่ร่อนนะสงสัยกาพร้าด้วยแต่ว่า ไม่ได้ยากจนจนกระทั่งไม่มีศักดิ์ศรีจนกระทั่งไม่เหลือความดีนะความดีของแกก็มีนะคือความซื่อสัตย์นะความซื่อสัตย์รับปากไว้แล้วว่าจะคืนนะภายในหนึ่งอาทิตย์แกก็พยายามหาเงินมาคืนนะแล้วก็มานั่งรอไม่ได้รอวันเดียวรอทุกวันนะเพราะว่าตั้งสัจจะหรือลั่นวาจาไปแล้วก็ต้องทําตามอันนี้คือคนจนที่เรียกว่ามีน้ําใจที่ยิ่งใหญ่นะก็คือว่า แม้จะจนยังไงเนะีแต่ความดีนะก็ไม่ทิ้งนะทั้งๆ ท, ที่อาจจะมีข้ออ้างอาจจะมีโอมีมีข้ออ้างแก้ตัว เ, เขาคงลืมไปแล้วนะนะบางทีกิเลสมันมาหลอกล่อแบบนี้นะไม่ต้องรอหรอกนะเก็บเก็บเงินไว้เลยนะเขาคงลืมไปแล้วแต่เด็กคนนี้แกไม่ยอมนะแกก็จะก็จะมานั่งเฝ้ารอมายืนรอว่าผู้ชายคนนี้จะมาเมื่อไหร่เพราะรับปากไปแล้วว่าจะคืนให้ภายในหนึ่งอาทิตย์ เริ่มมันไม่จบแค่นั้นนะอ่พว ก, กับคนนี้เนี่ยแกก็นึกขึ้นมาได้ว่าไอ้เรากำลังหานักสแสดงที่เป็นเด็กเด็กคนนี้อาจจะอ่าอาจจะใช้ได้ก็ได้ก็เลยชวนเด็กนะว่าเนี่ยว่าพรุ่งนี้เนี่ยนะอยากจะชวนไปไปไปเข้ากล้องนะเพราะว่าจะมีการคัดเลือกนักสแสดงไม่แน่นะหนูอาจจะมีโชคไปตลอดชีวิตเลยก็ได้นะ เด็กก็ดีใจนะก็รับปากนะวันรุ่งขึ้นเนี่ยผู้กำกับคนนี้พอแกไปถึงบริษัทของตัวนะปรากฏว่ามีเด็กเยอะแยะเลยมีเด็กเยอะแยะเนี่ยมารออยู่รวมทั้งเด็กคนนี้ด้วยแล้วเด็กคนนี้แกบอกว่าเนี่ยอยากให้เพื่อนๆเนี่ยนะได้มีโอกาสคัดเลือกเป็นดาราบ้างนะเพราะว่าเขาก็ยากจนกันนะถ้าเขาได้ ได้เป็นดารานี่ก็คงจะมะีชีวิตที่ดีขึ้นนะพูดกับคนนี้ประทับใจามากนะจริงจริงเด็กคนเนี้ไม่เป็นต้องบอกเพื่อนเลยนะเพราะว่าถ้าบอกเพื่อนแล้วเนี่ยเกิดเพื่อนคนไหนเนี่ยนะมีท่าทีหรือว่ามีโอกาสที่จะเป็นดาราได้ดีกว่าตัวเองก็อดนะแต่แกอยากจะให้โอกาสเพื่อนเหมือนกันนะไม่เคิดว่าเป็นคู่แข่งเลยตัวเองไม่ได้ไม่เป็นไรนะขอให้เพื่อนได้ถนะ้าสุดท้ายก็มีการคัดเลือกนะดาราเด็กนะี่ยเป็นหลายสิบนะ คัดกันทั้งวันแต่สุดท้ายก็ได้เด็กคนนี้แหละเพราะว่าพูิกับบอกว่าเนี่ยเด็กคนนี้นิสัยดีนะเป็นคนที่มีแม่หนึ่งเป็นคนมีสัจจะสองเป็นคนมีเมตตารักเพื่อนนะไม่เห็นแก่ตัวนะไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ผูกขาดโอกาสไม่หวงโอกาสไว้กับตัวคนเดียวนะแก บ, บอกว่าเนี่ยแกก็เขียนไว้เขียนไวใน้ในในในแบบฟอร์มว่าเหตุผลที่คัดเลือกเด็กคนนี้เพราะว่า เป็นเด็กที่มีน้ำใจนะแกเขียนว่าเมตตาเนี่ยนะผ่านการทดสอบนะผ่านการทดสอบนั้นได้เป็นดาราก็เพราะว่ามีความเมตตามีน้ำใจแล้วเด็กคนนี้ก็ได้เป็นดารานะแล้วก็ปรากว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยกลายเป็นหนังดังนะอัตอมาก็เคยดูนะเมื่อสักสิปีที่แล้วชื่อ Central Station ก็ได้รางวัลตุกตาทองนะของฮอลลีวูดแล้วก็เด็กคนนี้ตอหลังก็เป็นดารานะีมีชื่อนะของบราซิล อันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าประทับใจนะคือว่าถึงแม้จนยังไงเนี่ยก็ยังมีศักดิ์ศรีนะความจนเนี่ยไม่ไม่ไมา ไ, ไ, ไ, ไ, ไม่ทำลายความดนะีหรือไม่ยอมเปิดโอกาสให้ความจนมาทําลายความดีของเรากลัวจนแค่ไหนนะแต่ว่าก็ยังมีศักดิ์ศรียังมีคุณงามความดีอยู่นะไม่ว่าจะเป็นสัจจะหรือความเมตตาอันนี้ก็เป็นเรื่องที่นะ่าประทับใจมากนะแล้วก็เตือนใจคนได้ดีว่าเนะี่ยคนเราอย่าให้ความกลัวจนเนี่ย มันมาบันทอนความเป็นมนุษย์ของเรา